การกระทําด้วยตนเองไม่มีใครช่วยเหลือได้หลงก็ไม่มีใครรู้กับเราเราลู้คนเดียวรู้ก็ไม่ใช่ใครจะรู้ให้เราเรารู้คนเดียวเป็นการศึกษาปฏิบัติได้ให้ผลดได้ไม่จากัดการถ้าหลงไม่ต้องหาโอกาสอื่นปีหน้า่อแก้ความหลงดวนหน้าวันหน้ากลางคืนกลางวัน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 เห็นเห็นแล้วไม่เป็นไปกับกายมันแสดงอะไรก็เห็นดูมันจนเห็นว่าจนตอบได้สติมันตอบทักท่วงตายสักว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเป็นการทักท้วงโต้ตอบเหมือนคนพ่อบ้านไล่หมูไล่หมาไล่เป็ดไล่ไก่ไม่ให้มันาามาทาเสียหาย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 ดูสมมุติฐานของโลกเก่งดูโลกมันออกเมื่อดูโลกออกก็ใช้ยาแช่ไข้โลกนั่นได้เจ๋งที่การดูโลกไม่ชิเจ๋งนี้การลูก่ย่าอ๋อที่เจ๋งอ่ะดูโลกออกสมมุติฐานของโลกมันเกิดจากอะไรเป็นโลกชนิดใดงั้นหลงตาเป็นโลกไปหาโลกอยู่ต้องหลายวัน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 มันไหลไปอยู่เลยแล้วก็เห็นมันอยู่เห็นมันอยู่การมีสติเป็นการทวนกระแสก็จะเจ็งขึ้นเจ็งขึ้นหรือเหมือนกับสัน ต, ติเหมือนกับทานน้าอันทะเลไหลไปมันกับน้ําที่มันไหลมีสติที่ไร้ลู่ลู่เหมือนกับทิ้งศพทรายลงไปทานน้ําไหลกสอบหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น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 เมื่อเป็นเป็ น, ปนยังไงเมื่อลูกเจรลูกอย่างไงไม่ต้องไปคิดเหตุผลล่ะไรเพราะเราจินข้าวหิวข้าวหิวข้าวต้องปเป็นมีจีวิยาที่กินข้าวเืนลงไปเชี่ยวลงไปเขืนลงไปทิละคํามันก็อิ่มเอง็งความรู้สึกตัวที่เราประกอบจุดนี้มันก็มากขึ้นมากขึ้น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 ไม่เป็นที่เหลือโลภไปแล้วรัดรัดเข้าไปตรงนี้เป็นตรงที่สะดวกรัดเข้าไปรัดเข้าไปดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เป็นดูแล้วเ no ห, wall, ห, wall, ห, wall. ห, wall. ห wall. ็นเห็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นผู้ผ <them>? ิดไม่เป็นผ claro. ู้ถูกใช่มันผิดเห็นมันผิดอย่มันถูกหคนมันถูกมันสงบเห็นมันสงบมันไม่สงบเห็นมันไม่สงบพอใ่เป็นผู้สงบ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 วางก็เบาถ้าเอาก็หนักเป็นผู้หลงเ ป, เป็นผู้ทุกเป็นผู้ทุกข์เป็นทุกข์ขาปฏิปทาทันท่าปัญญาปฏิบัติยากรู้ได้ยากปฏิบัติสะดวกคือเห็นเนี่ยสุขขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวกสะดวกรู้ได้ง่ายแล้วทันยังไงกรรมฐานอ่ะต้องบทได้บทเรียนจากตัวเอง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 นี่พระอรหันต์บางลูกไปนั่งอยู่บนเขาฝั่งแม่น้ำเห็นท่อนซุงไหลมาก็ไหลไปเอาท่อนซุงเป็นบทเรียนก็นมาสอนตัวเองพิษุณีบางลูกเห็นควนช่างเอาช่างลงอาบน้ำควันช่างยืนอยู่บนฝั่งที่เขาชี้กูดเขาชี้กูดเนี่ยมันมีน้ำอยู่ข้างๆ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 ดันไปเทศที่สุรินเขาพอไปดูบ้านช่างมาันมาแสดงหลายฉากจากแรมก็ถือกัดซ้ามาขอเงินพาลูกอ่อนมาเดินขอเงินพราะเรากันอยู่ตามจัดแต่นอยู่ตามมันถือก็ตามมัยื่นใส่คน น, ค น, นั่งคนนคนโกรธไม่ได้นะลูกน้อยก็ดือ้อจบให้สิบบาเสาะเต็เมกระตาเลยซ้ามาขอเงิน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 ยืนเจ็ดขาแล้วนยืนสองขายกขาหน้าขก้นแล้วก็ยืนเอาขาหน้าลงยกข้นขึ้นอ้าวมันแสดงอะหลายฉากที่มันจ ะ, น, จะนี่เราฝึกตัวเองเนี่ยเนาะมันหลงเฉยๆนะ่ยไม่ขี่ช่างขี่ม้าม า, าความหลงนะ่ะความโกรธมันมีดาบสตาบุดแบบนี้ทำไมยอมเสือเปรียบบานมันไม่มีอะไรมันโกรธมันทุก